เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคย ในรายการธรรมะสู่สันติซึ่งเป็นรายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเริ่มออกอากาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518มาจนถึงปัจจุบันรายการนี้ก็เปลี่ยนผู้ดำเนินรายการมาเรื่อยๆมาตามลำดับโดยคณะสิทธ ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ําพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสําหรับวันนี้อาตมาภาพข อ, อนําเสนอธรรมะบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคโลโอเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดรา ช, ชบุรีซึ่งท่านได้บรรยายและบันทึกเทป ออกอากาศเผยแพร่ทางสถ า, าสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทเมื่อเดือนเมษายนในคราวอบรมภาคฤ ด, ดูร้อนและโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตยิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาศมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนพรรษาครบ6รอบคือ72พรรษา ธรรมบัญญายที่หลวงพ่อได้บัญญายให้แก่พระภิกษุสามเณรและสาธุชนผู้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรตินั้นก็เกี่ยวกับอานิสงค์ของการบวชและความภาคเพียรในการประกอบคุณงามความดีจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังธรรมบัญญายจากประเดศประคุณหลวงพอ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ ซึ่งเคยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเก้าอสมททุกวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือนขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังติดตามรับฟังพร้อมกันข อ, อนมทศการพระคุณเจ้าสวัสดีลูกเนนและก็ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมทุกท่านเอานั่งตามสบายาวันนี้ หลวงตาก็ได้มาพบกับพระคุณเจ้าลูกเนนและญาติโยมสาธุชนอีก เ, อเมื่อครั้งก่อนหลวงตาได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการบวชคือบรรพชาเป็นสามเณรและหรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาโดยประการที่ทุกท่าน ที่บวชเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้ต่างมีวัตถุประสงค์ในการขอบรรประชาอุปสมบทไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรว่าสัพพทุกขนิสระณนะเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวง และสัจฉิกรณัตถายะนิพพานสัจฉิกรณัตถายะเพื่อทำนิพพานให้แจง้งนั่นมีความหมายสำคัญว่าทุกท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นกิจสำคัญเป็นกิจหลักของพระภิกษุสามเณรในพระธรรมวินัยนี้หรือว่าในพระพุทธศาสนาของเรานี้ว่าจะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์แท้ปวง และเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั่นหมายความว่าทุกท่านจะต้องมาศึกษาหลักธรรมที่เรียกว่าพระปริยัติสั์ธรรมคือมาศึกษาหลักธรรมให้รู้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรู้แล้วเองโดยชอบ ในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้ตรัสรู้ไว้อย่างไรในรายละเอียดซึ่งล้วนแต่เป็นสัจธรรม คือเป็นความจริงอย่างประเสริฐในสี่ประการนี้นี่กิจหลักหรือหน้าที่รับผิดชอบหลักที่ท่านจะต้องมาทำคือมาศึกษาเล่าเรียนทำความเข้าใจในเรื่องความจริงอย่างประเสริฐสี่ประการนี้ที่เราเรียกว่าอาริยสัจธรรม หรือเรียกย่อๆว่าสัจจสี่หรืออริยสัจสี่เมื่อเรียนรู้แล้วในขณะเดียวกันก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามพระสัต์ธรรมของพระพุทธเจ้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจะต้องประพฤติปฏิบัติ ต, ตาม ทางสายกลางที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ย่อหย่อนเกินไปเรียกว่าการสุขัลิกานุโยกไม่ย่อหย่อนเกินไปหรือกระเดียดเข้าไปในทางที่ สุขสบายก่อให้เกิดการมิฉันทะซึ่งจะเป็นเหตุให้การมิฉันทะเกิดและเจริญขึ้นในจิตใจเป็นกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานี่อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งจะต้องไม่สุดโตงไปทางด้านอัตะกิลมถานุโยคคือในลักษณะที่ค่อนไปทรมานสังขารร่างกายของเราจนเกินไปจนจิตใจไม่อาจจะสงบไม่อาจจะหยุดจะนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงได้นี่อีกอย่างหนึง่ง ข้อปฏิบัติเหล่านั้นชื่อว่าทางสายกลางนั้นก็คือข้อปฏิบัติอยู่ในอริมักมีองแปดได้แก่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบในพระอริยสัจทั้งสี่ก็ตามหลักธรรมที่ ท่านทั้งหลายมีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องมาศึกษาเราเรียนดังที่กล่าวว่าพระปริยัติสัธรรมนั่นเองเมื่อเรียนรู้เข้าใจดีแล้วก็สัมมาสังกัปปะมีความดำริชอบคือเมื่อเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ก็ต้อง ตั้งใจที่จะสลัดตนออกจากทุกขโดยประการออกจากกามหรืออีกในหนึ่งปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกิเลส ข, ของตนในสามกองใหญ่คือโลภและตัณหาราคะนี่กองหนึ่ง โทสะหรือโกรธพยาบาทนี่กองหนึ่งโมหะความหลงนี่อีกกองหนึ่งต้องตั้งใจศึกษาและปฏิบัติทีเดียวตั้งความดำริความตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสเหตุแห่งทุกนี้จึงชื่อว่าเป็นความดำริชอบ เมื่อตั้งใจตั้งเจตนาดังที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาแล้วนี่ก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติปฏิบัติมีอะไรบ้างปฏิบัติตามทางสายกลางนี่แหละที่รวมเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์แปดนี่แหละ คือในส่วนของสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในอริยสัจ ท, ทั้งสี่สัมมาสังกปรความดำริชอบที่จะกระจัดขัดเกลากิเลสนี่จัดอยู่ในปัญญาศิกขาการศึกษาอบรมใจ และอบรมปัญญาของของท่านทั้งหลายเองให้มีความเห็นถูกต้องมีความดำริดริที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติต่อไปอีกหกข้อสามข้อแรกสัมมาวาจา มีการกล่าววาจาชอบไม่โป๊ปดมดเท็จใครไม่หลอกลวงใครไม่กล่าวคำหยาบไม่ยุแยกให้แตกสัมมาคีไม่กล่าวคำเพอ้อเจ้อเหลวไหลไรสาระนี่ข้อหนึ่งสัมมากรรมันโตการประกอบอาชี การประกอบกิจการงานโดยชอบไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็ให้เป็นกิจการงานหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นความทุจริตไม่เป็นบาปอกุศลไม่เป็นความชั่วให้ดํารงอยู่แต่ในคุณความดีนั่นสัมมากัมมันโตนี่พูดอย่างภาษาบาลี ถ้าพูดอย่างภาษาไทยก็สัมมากรรมตะและก็สัมมาอาชีโวหรือสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพชอบอย่างเช่นท่านทั้งหลายเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องดำเนินชีวิตของตนตามฐานะของตนว่าเรามีเพศต่างจากคฤหัสแล้ว กิจการงานใดการดำเนินชีวิตใดๆในส่วนที่เป็นไปเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ที่ชาวโลกภายนอกเขาเรียกว่าประกอบอาชีพแต่ชาวธรรมหรือนักบวชในพระพุทธศาสนานี้คือพระภิกษุสามเณร น, นั้นกระทาไปเพียงเพื่อ ดำรงชีวิตเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ตามสมควรเพื่อสงเคราะห์การศึกษาปฏิบัติธรรมหรือการประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นไปด้วยดีจึงไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะกอบโกยหรือสะสมเพื่อให้เกิดความสุขและจะพลอยเป็นไป ในส่วนที่เรียกว่าการสุ ข, ขันธิการุโยกสุดตรงไปทางด้านการมชันทะนี่แหละเรียกว่าสัมมาอาชีโวหรือสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพโดยชอบตามฐานะตามฐานะของนักบวชในพระพุทธศาสนานี้นะคือพระภิกษุสามเณรมีการบิณฑบาต เป็นต้นนี่การแสวงหาพัฒตาหารด้วยการบินทบาทเหล่านี้เป็นต้นนี่สัมมาอาชีวะหรือสัมมาอาชิวสามข้อนี้สงเคราะห์เข้าในศีละสิกขาการศึกษาอบรมโดยทางศีลส่วนพระ ก็ต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระวินัยพุทธบัญญัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วอีกสามข้อเป็นเรื่องของจิตตะศิขาการศึกษาอบรมเรื่องจิตมีอะไรบ้างก็คือ การศึกษาอบรมจิตใจให้สงบระงับจากกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาและเป็นไปเพื่อการอบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงซึ่งก็ไปเข้าข้อปัญญาสิกขาในสองข้อแรก ที่ได้กล่าวแล้วคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในอริยสัจทั้งสี่และสัมมาสังกรปรความดำริชอบออกจากกามและเพื่อชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ในสามข้อหลังนี้ประกอบด้วยข้อปฏิบัติ ข้อที่หนึ่งสัมมาวายามโมหรือสัมมาวายามะก็แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะพูดภาษาบาลีหรือภาษาไทยหมายเอาความเพียรชอบในสี่สถานสถานที่หนึ่งความเพียรเพื่อกาจัดกิเลสที่มีอยู่แล้วในจิตสันดานของเรานี่แหละเราจะต้องทำละ ที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือกิเลสเหตุแห่งทุกข์ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้แสดงไว้ว่าสัพพะทุกขะนิสรณะเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงนั้นเรามาเรียนรู้ว่าความทุกข์มีอย่างไร กิเลสเหตุแห่งทุกข์มีอย่างไรเราจะต้องเพียรกาจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ที่เคยมีอยู่ในจิตสันดานให้หมดไปนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพียรระวังกิเลสที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นนี่อีกอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเพียรยังกุศล คือคุณความดีเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสให้เกิดขึ้นในจิตสันดานอะไรที่ชื่อว่าดีทางกายทางวาจาและใจเราจะต้องตั้งใจกระทำเพื่อเพิ่มภูนบุญกุศลคุณความดีอันเป็นคุณเครื่องชำระกิเลส ที่มีอยู่แล้วในจิตสันดานให้หมดไปจิตใจจะได้บริรสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอและอีกข้อหนึ่งคือเพียรระวังรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อมคุณความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วทั้งทางกายทางวาจาและใจนั้นเราก็เพียรระวังรักษาไว้ ไม่ให้ตกต่ำลงไปอีกให้มีแต่ดียิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นเรื่องสำคัญในสี่ประการนี้รวมเรียกว่าสัมมาวายามูหรือสัมมาวายามะความประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจอีกข้อหนึ่งสัมมาสติสัมมาสตินี่คือความเป็นผู้ระลึกชอบ เป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมกล่าวโดยสรุปก็คือการศึกษาอบรมให้เห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงว่าสังขารร่างกายของเรานั้นแต่ละส่วนละส่วนภายในร่างกายของเรา เป็นสภาพที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรและมีสภาวะที่ไม่งดงามนีสภาวะตามที่เป็นจริงนะไม่งดงามเป็นที่ตั้งแห่งปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดอย่างไรและมีสภาวะที่ไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย อย่างไรเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานใครยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิแล้วเป็นทุกข์นี่ต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งไปอย่างนั้นด้วยปัญญาอย่างไรอย่างไรและลงท้าย สังขารร่างกายมีเนื้อหนังมังสาทั้งหลายทั้งปวงหมดทั่วทั้งสันสะพางกายก็ต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมดไม่มีอะไรเป็นของใครได้อย่างถาวรแต่ประการใดชื่อว่าไม่มีแกนสารสาระในความเป็นตัวตน ของใครอย่างถาวรแต่ประการใดชื่อว่าอนัตตามีอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นสภาวะประจําสังขารคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ยกขึ้นมาเป็นเรื่องของกายรวมไปทั้งกิริยาอาการต่างๆด้วยและเมื่อมีกายก็มีจิตใจ จิตใจในฝ่ายจิตใจนั่นจัดเป็นนามธรรมมีอยู่สีอย่างคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์หนึ่งภาษาพระท่านเรียกเวทนาธรรมชาติที่จดจำอารมณ์หนึ่งพระท่านเรียกสัญญา ธรรมชาติที่ปรุงแต่งอารมณ์หรือน้อมไปสู่อารมณ์หนึ่งท่านเรียกว่าจิตหรือสังขารและธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์อีกหนึ่งท่านเรียกวิญญาณทั้งหมดนี้รวมเรียกว่านามขันสี่ส่วนฝ่ายรูปท่านเรียกว่ารูปขันรวมหมดรูปขันหนึ่งนามขันสี่ท่านรวมเรียกว่าเบนจะขันหรือขันห้า ย่อลงมาเป็นนามกับรูปทั้งหมดนี้ให้ศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามีสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรจะเป็นเครื่องปล่อยวางเป็นคุณเครื่องให้ช่วยให้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาเหตุแห่งทุกข์และทิฏฐิความหลงผิด อันจะนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนได้การศึกษาอบรมกายวาจาและใจด้วยสัมมาสติอย่างนี้ชื่อว่ามีสติคือความระลึกชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมนี้จัดเป็นในขั้น อนุวิปัสนาซึ่งจะเป็นบาดฐานให้ถึงโลกุตรกวิปัสนาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งไปถึงอริยสัจทั้งสี่เป็นทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขดังที่เธอทั้งหลายได้ตั้งใจมาบวชเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทํานิพพานให้แจ้ง ทั้งหมดนี้มีอยู่สองข้อคือสัมมาวายโามและสัมมาสติยังมีอีกข้อหนึ่งเป็นการอบรมจิตโดยตรงให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตยกระดับภูมิจิตขึ้นสู่องค์แห่งฌาน นั่นเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาคือการเจริญภาวนาสมาธิในขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจะตุติชฌานทั้งหมดนี้สัมมาวายโาม О, ความเพียรชอบในสีสถานสัมมาสติความระลึกชอบ เป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมและสัมมาสมาธิความเป็นผู้มีสมาธิชอบคือเจริญฌานทั้งสี่ทั้งสามข้อนี่รวมเรียกว่าจิตตะศิขาการศึกษาอบรมเรื่องจิตเพื่อยกระดับภูมิจิตขึ้นสู่องค์แห่งฌาน เครื่องกำจัดกิเลสนิวรเครื่องกั้นปัญญาดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วและเมื่อจิตใจบริสุทธ์ผ่องใสจากกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาก็สามารถให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงแล้วก็นี้เป็นทางให้เจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปป ความดำริชอบให้ความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจให้ดีให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้เป็นบุญเป็นกุศลและดำเนินไปในแนวทางเพื่อการกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์และเป็นไปเพื่อธรรมนิพพานให้แจ้งคือบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขนั้นเอง นี้คือกิจที่เธอทั้งหลายจะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเธอทั้งหลายได้เข้าใจดังนี้แล้วก็ขอให้เธอทั้งหลายได้ตั้งใจศึกษาอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเพื่อดําเนินไปสู่การเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงต่อไป ที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นสารธรรมจากธรรมบัญญายของประเดศพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลโลซึ่งได้บรรยายถวายความรู้ให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้บวชในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่30เดือนเมษายนพุทธศักราช2542 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในมหามงคลสมัยเจริญพระชนพรรษาครบหกรอบในวันที่ห้าธันวาคมที่จะถึงนี้สำหรับธรรมบัญญายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้พูดถึงการบวชและการประกอบความภาคเพียรเพื่อที่จะยังให้กุศลเกิดขึ้น และความไม่ประมาทมัวเมาในสิ่งทั้งปวงมุง่งปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์และเป็นประโยชน์แก่ตนโดยส่วนเดียวสำหรับวันนี้คิดว่าสาธุชนที่ติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติก็คงจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกุศลกับท่านที่บวชในโครงการซึ่ง มาจากอำเภอต่างๆทั่วจังหวัดราชบุรีมาอบรมอยู่ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามกว่า800รรูปในโครงการดังกล่าวก็สาธุชนที่ติดตามรับฟังก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกุศลถ้าท่านใดติดตามรับชมรับฟังทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทก็คงจะเห็นภาพอันน่าประทับใจที่มีพระภิกษุสามเณรบวชถวายพระราชกุศล และอยู่ปฏิบัติธรรมตลอดระยะเดือนเมษายนที่ผ่านมาสําหรับวันนี้อาตมาภาพก็นําบรรยากาศและธรรมบรรยายของการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติมาฝากท่านสาธุชนผู้ติดตามพระฟังรายการและขอจงร่วมอนุโมทนาบุญกุศลกับท่านที่สละเวลามาปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วยสําหรับวันนี้ เวลาของทางรายการก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังธรรมะบัญญายจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร